ความเจริญจะมีเดี๋ยวท่านสาธาชนทั้งหลายการรมยายประสูตรในวันนี้ก็คงมาเอาเรื่องของชาดกมาแสดงชินเคยในดัข้อต่อไปนั้นชื่อว่าทูตาชาดกโดยชาดกที่ว่าโดยการทูตหรือการพูดกัน มีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าพระสงฆ์ท่านได้เห็นการเผยแผ่การแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าและประสบความสำเร็จคือเกิดผลประโยชน์แก่คนฟังโดยวิธีการที่แตกต่างกันรเรียนว่าส ม, มิวบายวิธีในการพืกคนได้อย่างยอดเยี่ยม ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้นะไม่น่าจะทำได้แต่ก็ทำได้ที่ท่านยกขึ้นมานั้นก็มีอยู่สามเรื่องเรื่องแรกก็คือการเอานาง อ, าอัปรสอมาล่อพระนันธะซึ่งเป็นพุทธาอนุชาสามารถประทานอรหันต์ผลให้แก่พระนันธะได้ เรื่องพรนัน t h หรือพระนนทบทบาทไม่ค่อยเด่นเท่ากับพระอานนท์นะฮะพระอานนท์ที่จริงก็เป็นลูกอาแต่พระนัน t h หรือพระนนทเนี่ยที่จริงก็เป็นพระอนุชาต่างประมาณดาบทบาทหน้าที่การงานของท่านไม่ค่อยเด่นแต่ก็มีประวัติที่น่าศึกษาเราเคยผ่านเรื่องเหล่า น, นี้มา จะสองครั้งแล้วนะฮะคือใจความโดยสรุปว่าในวันแต่งงานแล้วขึ้นตำหนักใหม่ของท่านหลวเจ้าได้เสด็จไปในพิธีนั้นแต่พอสเสวยเสร็จมันก็ส่งบาตรให้เจ้าเป่าเป็นเจ้าภาพถือ ปนุนก็คิดว่าพระเจ้าคงจะให้ถือพอถึงบันไดถึงประตูวังแล้วคงจะรับบาทรนะจะปล่อยท่านกลับพระพุทธเจ้าก็ไม่ปล่อให้กลับเจ้าสาวทราบข่าวว่าปนุนได้รับบาทรพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งเสด็จพระพุทธเจ้าไปก็ตะโกไดรีบกลับมา ถนนนั้นก็คิดรู้ว่าเจ้าของรั บ, บาทตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นไม่เด้รักสักทีแล้วก็ไม่กล้าทูลจนไปถึงนีโครารามซึ่งเป็นที่ประทับก็หันมารับบาตรจากถนนแล้วก็ถามิย์มนนจะบวชไหมมโนนนั้นก็ไม่รู้จะบวชอย่างไงนะฮะเพื่อแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ยังไม่ได้สูงตัวเจ้าสาวยังไม่อะไรเลย บ้านก็ยังไม่ได้อยู่แต่ว่าด้วยความเคารพนับถือแล้วก็เกลงพระไทยมากๆ ก, กันนะก็รับไปงั้นเองเดี๋ยวรับว่าจะบวชพระเจ้าก็รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ก็ให้ประสานเรี่องบวจากการบวชให้เลยบวชแล้วจิตใจท่านไม่สงบ ได้ยินได้เสียงเจ้าสาวนางชน บ, บทกรญยาณีที่กล่าวว่าขอพระรูปเจ้าเสด็จมาโดนด้วยโดนด้วยเนี่ยนางะมาธิไปมันอย่างนั้นเองนะฮะใจไม่สงบก็สู้พร้อมเพื่อนสอบถามนาก็เล่าว่าใจมันไม่สงบเจ้าก็ทรงรู้เห็นว่าถึงเวลาแล้วนะฮะก็ ชวนพระนนทะโดยชายไอ้ตรงนี้ก็ใช้อิทธิฤทธิ์เนี่ยะแต่วันในชั้นแรกเนี่ยนำไปดูไอ้ตัวลิงตัวหนึ่งที่ถูกไฟไหม้แล้วก็นั่งจับเจ้าอยู่ที่ต่อไม้ซึ่งถูกไฟไหม้เหมือนกันแล้วก็ให้ดูไว้ให้พิจารณาไว้ต่เสร็จแล้วก็นำไปชบหนังอพสรในสวรรค์ ตึงก็สวยกว่าเจ้าสาวก็ทัญญนยะะขอรับคำถามเป็นไงนนชอบไหมสวยไหมนะฮะสวยไหมสวยไงชอบไหมชอบอยากได้ไหมอยากได้เอาแต่เธอต้องการได้เราจะรับประกันให้ได้แต่มีข้อแม้ต้องปฏิบัติกรรมนัธรรมให้ดีแต่ก็ตกลงนะที น, นี้เองมันก็มีวิธีว่าไอ้ความอยากนี่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความสวยเองมันก็อยู่ที่ใจเพื่อนสาวนท ก็นําไปดูเรื่อยก็ถามเรื่อยนะแล้วก็ตอบเรื่อยก็ตอบเหมือนเดิมปรากฏว่านําไปดูนางอักษรเป็นร้อยในบาหลทีท่านบอกว่าห้าสซึ่งอาจจะมากก็ อ, อาจจะ น, อน้อยกว่านั้นก็ได้นะ่ะกนนชอบหมดเลยเลยสวยหมดเลยก็อยากได้หมดเลยและในสุดก็รับสั่งว่าเอาตัางโคจะรับประกาศให้เธอได้ มีข้อมนะปฏิบัติตามคำสั่งก็นำกลับมาที่ประเจ้ตัววันแล้วก็สอนเรื่องกรรมาฐานให้พิจารณาคือที่จริงก็สอนให้พิจารณาตั้งแต่ต้นแล้วคือหมายความว่าเอานางนางอัศรเนี่ยไปเทียบกับเจ้าสาวแล้วเจ้าสาวนั้นไปเทียบกับนางลิงตัวนั้นนะ ก็เทียบกันไปเรื่อยวิจารณ์เทียบเคียงกันไปเรื่อยแล้วก็รับสั่งเล่าให้พระสงฆ์ฟังว่าตอนนี้เราเป็นนายประกันให้นนท์เขาปฏิบัติสมณธรรมเลยจะให้ได้ทางเทพอักษรห้ารอยเพื่อนกอล้อเพื่อนก็ล้อพระนนทนะว่าเป็นลูกจ้างเราพทธเจ้า กระโดดท่านก็ขึ้นสู้มังขัดยะมานะมันก็ขึ้นสู้ขึ้นมาก็เข้าป่ามันเป็นเปลี่ยนเจริญสมถะกรรมฐานจากวิธีการที่พระเจ้าทรงทรงทปูไว้ในตอนต้นเนี่ยนะครับโดยยกปัญญายกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาพิจารณาความว่าน่าความเคลื่อนเต้าเกิดว่ามันลั่นไปเรื่อยๆมันไม่มีไม่มีจุดจบคือการควายคว้านั้นไม่มีจุดจบเหมือนกระลิงที่วิ่งไปตามป่าไม้มันก็ไม่มีจุดจบ ในที่สุดก็จะเริ่มีปััสนาบรุมรรคลเป็นประหันต์เราเข้ามากราบทูลเรื่องคำปฏิญญาที่รับประกันของพระเจ้าว่าเลิกแล้วคือคือคือถือว่าไม่มีข้อผูกพันกันแนละ้วพระเจ้าก็นำเรื่องเหล่านี้นำพระนนท์มายกจ้องในที่ีิชุมพระท่านก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นนะ่ะมันวิธีสอนนั่นเป็นวิธีสอนเย ใช้วิธีที่แตกต่างกันคนนี้มีจิตกำหนัดในรูปโดยเฉพาะคือในตัวเจ้าสาวในพระตำหนักในความสุขในราชสมบัตินะครับแต่พระเจ้าก็มีวิธีกานที่จะดึงออกไปจากความเกี่ยวกับผูกพันในอรารมณ์ตัดนั้นได้แต่ท่านที่สองก็คือเรื่องพระจุละันธตกนีเ่เคยเล่ามาแล้วกันนะครับพระจุรันธุ ปัจจุบันโตกนั้นอยู่ที่ท่านโง่นะฮะคือว่ามันก็มีศรัทธามีอะไรเยอะแยะยไปดคือความเพียรมีดีมีศรัทธาดีนะแต่ว่าสติสมาธิปัญญา่ไม่เคยดีโดยเฉพาะความจำเนี่ยท่านแย่ากแต่ว่าท่านก็มีภูมิหลังที่ค่อนข้างมีปัญหาด้วยนะฮะ คือแม่ของท่านหนีตามคนชายไปเป็นลูกเศรษฐีเป็นธิดาเศรษฐีหนีตามคนชายไ ป, ป, ล ป, ยไปแล้วก็ไปตกระกรรมลำบากกันต่อมาก็คลอดพี่ของท่านกับตัวท่านก็นำมาหาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายนั้นพอเห็นหลานมาก็รักนะแต่ก็ไม่ต้องการพ่อแม่แต่ก็ไม่ถึงกับโกรธแรงนะ ไม่ไม่ได้เหมือนเรื่องเรื่อนางปต a จ a ราปรต a จ a ราที่จริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมาไม่เจอนะฮะคื อ, ค, อคือมายังไม่ทันถึงแล้วก็ตายกันไปก่อนก็มอบทรัพย์สินก็ให้ก้อนหนึ่งให้ไปตั้งตัวแต่ ว, ว่าขอหลานเอาไว้แต่พอหลานมาอยู่ผมก็กลายเป็นหนามต่ําตาพอพ อ, พอมาใครเห็นถามว่าเป็นใครหลานเอาเป็นลูกของใครล่ะ ลูกของลูกสาวที่หนีตามผู้ชายไปหรือเปล่าอ่าก็เป็นตะกิดรอยแผลเก่าคุณตาก็ชักแย่เลยก็ตัดสินใจเอาหลานให้ไปกวดเนี่ยก็บางทีความคิดก็ชาวบ้านเนี่ยเห็นอะไรมีปัญหาก็หยุดเข้าวัดตะทามปล่อยวัดนะฮะคติไทยเราก็มีตะานปล่อยวัดระคอหักก็เอาไว้ไว้วัดหมาชี้เรียนของเข้าวัด เอาขาหากขักก็สบวัดตอนนี้ก็ที่จิ๋วก็ทำมานานแล้วนะฮะไม่ใช่ทำเดือนนี้หรอกดัง น, น้ความคิดของท่านเนี่ยคือมองลูกมองหลานว่ามันมีปัญหาครั้งแรกก็เอาพิชไยบทก่อนท่านมาปั่นา ก, กากแต่คนนี้ปราดเปลือ่องบุญไม่เท่าไรบันเป็นเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหันก็เห็นทุกความสุข ที่ตนได้รับก็ต้องการน้องชายเนี่ยด้บวช ด, ด้วยเ๋ยขอคุณตาคุณตาก็ชอบใจยอยู่แล้วนะนะก็ให้บวชแต่พอบวชแล้วปรากฏว่าท่านโง่มากท่านท่องหนังสือสี่บรรทัดในสี่เดือนเนี่ยท่านท่องไม่ได้จำไม่ได้วิธีท่องเนี่ยคือต้องการจะฝึกปลือจิตใน้มันรวมนะ ถ้าตั้งหลลองลองลองเอาอ e ีติปโสมาสาธยายดยูสักครึ่งชั่วโมงไงนะสาธยายกลับไปกลับมากลับมากลับไปว่านี่ติปิโสบอกว่าน้นำโมก็ได้นะน้โมก็ได้ว่ากลับไปกลับมาสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงถ้าอย่านจิตมันจะรวมมันเป็นพิธีฝึกให้เกิดสมาธิพอจิตรวมจิตมันก็ไปแล่นไปข้างนอกอันที่สุดมันก็จะมีวิธีที่ปรับจิตไปเรื่อย จะเกิดเป็นรูปของกรรมฐานจริงๆวิปัสนาจริงๆขึ้นมาตั้งการสาธยายจริงๆมช่วยอะไรเยอะจะท่องพระบางรูปที่ขยันเนี่ยั้นท่องสวดบนทุกคืนวัรุ่งเนี่ยฮะสวดตั้งชั่วโมงงสามช่โมงขยันสวดขยันสาธยายแต่อันนี้ก็แล้วแต่ใครถ น, นัดนะฮะใครบางบางคนเาก็ไม่ชอบสวดเขาชอบพิจารณา ก็ใช่ปัญญาบางคนก็ชอบสวดบางคนก็ชอบนั่งก็แล้วแต่บางคนก็ชอบมาบางคนก็ชอบคนก็สรุปทํำดียงนั้นแหะปัญหาของก็เกิดขึ้นพระมหาปันทกปัน thag ะนะครับก็บอกว่าคุณนี่มันไม่ไหวหล้วบวดไปบางก็คงจะไม่ได้ประโยชน์ก็ออกไปศึกไปไปช่วยคุณตาดีกว่าตาเราแก่แล้วออกไปศึก ด้วยคุณตาด้วแต่ท่านเองท่านท่านท่านทศรัทธาท่านมีความเพียรเนี่ยที่บอกท่านมีศรัทธาท่านมีความเพียรแต่ว่าสติสมาธิปัญญาของท่านไม่ไม่ไม่ดีก็ไม่อยากสึกแต่ว่าที่ชาติเขมีวิธีพูดให้ท่านโกรธอ่ยนะให้ท่านน้อยใจแล้วก็สึกเพือจะได้สึกแต่คงจะเป็นอุบายวิธีนะฮะหรือพระอรหันต์นั่นนั่นก็ไม่ไม่นั่นหะือท่านมีอุบายของท่านท่านมีวิธีของท่าน หรือบางทีลูกศิษย์ก็อาจจะรู้ไม่ทันวันนั้นเป็นเพียงอุบายอยู่ที่การฝึกคนในการดัดสันดานคนในการสร้างสา น, นึกใ้แก่คนท่านก็เดินมาเพื่อจะไปศึกนะตามคำของพี่ชายแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นบารมีวาสนาบารมีก็มาดักอยู่ที่ทางเดินก็ถามว่าจุราบัรทงจะไปไหน ก็จะไปสึกนะพอพี่ชายพระเจ้ารับสั่งถามว่าทําไมจะต้องสึกอ่ะพี่ชายก็ไล่ใสึกถามว่าเธออยากสึกหรือเปล่ามอไม่อยากสึกครับพระเจ้าก็เปลี่ยนเป็นเป็นเปนนะเราจะเห็นว่าเป็นเป็นวิธีจิตวิทยาที่สร้างความอบูนความเชื่อมัน่นจากสภาพกิตที่เคว้งควางออกสู่สึดกระโดดเดียวเดียวได้เนะี่ยพระเจ้ารับสั่งถามเออเธอบวชเนี่ย เธอบวอุทิศไข่บวอุทิศพี่ชายหรือบวอุทิศเราก็บวชอุทิศพระองค์พวกคุยคุยกันนะฮะนั่งคุยกันเออบวชบวอุทิศเราเรายังไม่สึกเรายังไม่สึกพี่ชายให้สึกก็เรื่องของพี่ชายแต่เรายังไม่สึกท่านก็ใจซื้นเนี่ยนะฮะเพราะจริงๆท่านเองก็ไม่อยากสึกบอกอย่าสึกเลยจิตน้ำพระตกออกมาไปด้วยกันแล้วก็มือลูกหัวเนะฮะ เอ่มาเคยพบในลูกหัวตรงนี้แห่งเดียวพุเจ้าไม่ลูกหัวใครฮนะรายนี้รายเดียวที่ลูกหัวเนี่ยแล้วก็จับมือเดินนั่งที่กุฏิส่งผ้าขาวให้ผืนหนึ่งบอให้บริกรรมนะบริกรรมบริกรรมคาถาบริกรรมมันก็ไม่มีอะไรอนะเปรย์ระโชระนางรย์ระรนางเปรยว่าผ้าเปื้อนผุน เกิดแต่แปลมันก็แปลว่าภาพเพลิงฝุ่นอยางนั้นเองแต่ท่านก็คือแลว่าลืมวันสัตยทาเนี่ยท่านมั่นความเพียนท่านมั่นนี่ยนะฮะแต่ทาในท่านมั่นก็เพียนแต่เพระนั้นพระวิชาสั่งอย่างนั้นท่านก็ทําอย่างนั้นน่ะท่นก็ทําอย่างนั้นบริกรรมไปบริกรรมมาก็นั่งตอนตอนเช้ามืดนะนั่งอยู่งั้นน่ะพระเจ้าไม่ได้สั่งให้เลิกเนี่ยก็นั่งอย่างนั้นเองนั่งบริกรรม ไปกำไปของมือเขหยิบไปเรือเอยๆเงื้อมันก็ออกเงื้อมก็ออกผ้ามันก็เริ่มดําหลงดาลงกันดําไปเลยเป็น <c oughs> ผ้าสกปรกมาเลยติบเงาท่านก็เริ่มพิจารณาเห็นว่าท่านท่านไปทางธรมศาสตร์ไม่ได้ท่านก็มาทางวิปัสสนาเริ่มพิจารณาเทียบผ้าขาวที่บริสุทธิ์เนี่ยอาศัยร่างกายที่เปือเป้อนด้วยฝุ่นเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกทัง้งตา ม, มันก็สกปรกตามไปก็พิจารณากลับไปที่ร่างกาย มาดูที่ร่างกายก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยเ ป, เ, ปเป็นที่ประชุมของซากศพทั้งหลายมีผมมีขนมีเล็บมีขวานมีนังอะละกวาไปเรื่อยๆนะทีมันก็เห็นแล้วนะฮเห็นแล้วแล้วก็ดูอะไรทั้งหมดข้างนอกมันก็คือการคือการเัน็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลได้แล้ยกกิดขึ้นจเจริญปัสนาบรลุมรรคผลเป็นพระพันแล้วท่านองค์นี้ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มี มีอิทธิฤทธ์นะฮะก็เรียกว่าพริกจิตเป็นพวกมโนโมยิตธ์เป็นเป็นเป็นพวกมโนโมยิตคือสามารถแยกตัวเองเป็นร้อยๆพันๆได้ก็เหมือนกันหนังกำอังภายในไยแยกตัวเองเป็นพันๆได้แล้วก็ก็เคยเพราะว่าทันแยกครั้งเดียวนะฮะแยกครั้งเดียวตอนบรรลุมรรคผลใหม่ๆ เก็สืบเนื่องมาจากเนี่ยสืบเนื้อมาจากนามอิสาขาเรื่องบรรยาวนะฮะแต่ว่าเราเอาเฉพาะตรงนี้เอาเฉพาะว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีวิธีว่าคนซึ่งคนอื่นก็ฝึกไม่ได้เลยแล้วจากเวลาสี่เดือนเนี่ยพระเจ้าประธานาธิให้ในเวลาที่จากเช้าไม่ถึงเพลินนะเช้า ย, ยังมาถึงเพลนเลยก็มารู้มาก่อนแล้วพระก็ตื่นเต้นอ่ะมันมีวิธีว่าองค์นี้ทั้งใช่อย่างเนี้ยองนี้ก็นําไปดูสว ย, สวย มาดูสาวๆสวยๆเพราะท่านติดสวยๆนะฮะองค์นี้มันมีปัญหาที่ว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอ่อนแต่ศรัทธากับความเพียรเนี่ยมันดีแล้วมันทํำยังไงล่ะเพิ่มสามอย่างนี้ได้เพ่มสามอย่างขึ้นมาได้มันก็มีวิธีนั่งบริกรรมโดยอาศัยศรัทธากับความเพียรของท่านเนี่ยมันเป็นฐานคือคนบางคนไม่ต้องการเหตุผลนะบอกท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำมาทาไหมทามาก่อนเลอย่าไปถามเหตุผล ว่าเหตุผลเนี่ยมันจะเกิดเมื่อเธอไปทําก่อนนะอย่างที่หลวงปู่เสาที่จันว่าท่านไม่ค่อยไม่ค่อยอธิบายหลวงปู่เสาอะภาวนาไปพุโทโธพุโทโธภาวนาไปคือไม่อธิบายเพราะว่าเธอจะหาคําตอบได้ในตัวเธอเองเมื่อภาวนาไปอ่ะพอภาวนาทําไมเนี่ยภาวนาไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไงมันก็ต้องภาวนาไปก่อนเลแล้วจะเห็นผลในตัวเองเมื่อก็เดินนะี่ยนะฮะ ภาวนาจริงๆมันก็เหมือนกับถนนเนี่ยนะไปะเดินไปเดินไปทำไมก็เดินไปก่อนละกันซึ่งหมายความว่าลูกศิษย์ไม่จำเป็นจะต้องถามมาทำไมอาจารย์ต้องให้เดินก็เดินไปก็นละกันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้เห็นด้วยตัวเองเพระาะธรรมะมันก็มีข้อสันทิโกเห็นได้ด้วยตัวเองนะค ร, ะระับปัจจัตตังวิริโตโปมันอยู่อยู่จนจะรู้ได้จากตนเพราะนนเราจะเห็นว่าแนวพวกเสน้นพวกอะไรมันก็ใช้แนวนี้นะ แนวพูดธรอเหมือกันน่ะแต่ว่าใช้แนวนี้หมายรามู้สิษเองเนี่ยต้องมีศรัทธาในความเพียรแล้วก็เชื่ออาจารย์อาจารย์บอกนั่งเพ่งดูก้อนหินก็เพ่งดูงั้นแหะไม่มีอะไรนะบางทีคนนั่งดูก้อนหินสามก้อนก็นั่งดูงั้นก็ตอบไม่ได้ว่าดูทําไหมแต่ก็ดูไปก่อนละกันเพราะว่าดูดูเนี่ยเมื่อท่านเพ่งไปเนี่ยใจท่านก็ค่อยสงบขึ้นเพราะ ส, ะสงบเป็นสมาธิป็นสร้างปัญญา ตรชาติของเขาเนั้นก็จะสร้างปัญญาปัญญาเกิดเนี่ยความรู้เห็นดำเงินจริงก็ค่อยๆเกิดขึ้นนั่นคือวิธีเราจะเห็นว่าแ ต, แตกต่างกันนะฮะเปรีตต่างแต่ว่าใจไม่สงบด้วยกันคนหนึ่งใจไม่สงบด้วยคิดถึงเจ้าสาวคนหนึ่งใจไม่สงบด้วยตัวเองอยากอยู่แต่พี่ให้สุก ใช่ไหใจก็ไม่สงบแล้วก็ ร, รำคาญตัวเองที่ท่องหนังสือสีบรรทัดกันไม่ได้ใจไม่สงบทีนี้มาถึงอีกองหนึ่งองนี้เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรที่พระท่านยกขึ้นมานะจริงมันมีเยอะแต่ว่าท่านยกขึ้นมาคุยเนี่ยสามเรื่องอีกองหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าประธานดอกไม้ทองคําแก่ที่สูผู้เป็นบุตรในช่องทองประธานอาณาจักรไทย ในเวลาครึ่งวันเหมือนกันพวกนี้พวกนี้ระยะสั้นๆนั่นเองนะฮะระยะสั้นๆนั่นคือบุตรในช่างทองคนนี้เป็นชายหนุ่มรูปงามมากแล้วก็บุตรก็ในวัยหนุ่มถ้าสาธิบุตรท่านมองไปอีกแนวหนึ่งท่านเห็นว่าเด็กหนุ่มเนี่ยมันต้องเอาไอ้ความไม่สวยไม่งามเนี่ยให้ดูเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแต่จริงมันไม่ใช่สูตรสากลเนี่ยนะฮะแนวนี้ยไม่ใช่สูตรสากล เพราะมันเคยเกิดปัญหาในพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนในที ose, ่ที ose, These, they after, they they they back, ่ที่โยมที่เข้าพิธีบวชเคยเคยได้ยินนะฮะที่ที่อุปชาบอกเกซ่าโลมานาฆาตันตาตะโจตโจตันตาหนาข่าโลมาเลยท่านอธิบายนะอธิบายห้าอย่างที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาไม่ได้บอกตรงเนี้ยเขาบอกเมื่อโกนผมนะฮะเมื่อกลผมเนี่ยเอาคุณพิจารณาไปพิจารณาผมคนเล็วขนหนนีพิจารณา นี่บางคนพิจารณาแล้วแกแกเกิดขยับขยงแกเกิดรังเกียจขยับขยางเลยไม่ยอมบวชไม่ยอมบวด้ยอดยพระเอาอะไรมาคิดไปรู้เอาเอาเอาเรื่องอะไรไม่รู้มาคิดมาพิจารณาไม่เอาไม่บวชไม่บวชมันก็ปิดเท่ในตอนตอน้นวันตรงนั้นที่จริงเนี่ยพอเริ่มพิจารณาเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเข้าใจอะไรเราพิจารณาไปก่อนแล้วกัน เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาตรงนี้ผู้เจ้าจึงเลื่อนเลื่อนมาไว้บอกจะไปบอกตรงนั้นสิหลังให้บอกตรงนี้บอกตรงที่เธอขอบวชไปและมันไปตัวเองไปปลูกพันแล้วนะฮะไปขอบวชมาแล้วตกลงปรงใจแล้วก็ยืนยันฝังเนื้อฝังตัวแล้วบวชเรวค่อยบอกตรงเนี้ยพราเวลาบวชยังเป็นอย่างนี้นะจะต้องเราพิสปิบัติอย่างนี้แต่ว่าท่านท่านท่า น, ท, านท่านขอบวชแล้วนะฮะ นั่นก็คือคือวิธีที่เรียกว่าโดยปกติแล้วนีคนที่ราคะจริตเดี๋ยก็จะสอนกรรมฐานแนวนี้แต่ไม่ใช่ทั่วไปนะไม่ใช่ทั่วไปเราจะใช้ทั่วไปเนี่ยไม่ได้พระสารีบุตรท่านก็ให้พิจารณาร่างกายผมกนเล็บผนนังในแง่ของความปฏิกูลนะฮนะน่เกลีย้งหาซึ่งสมัครองอืดมันมก็ได้แต่องค์นี้ไม่ได้ ตรงนี้พระกูเราพิจารณาไม่ได้ก็ภาษานีบุตก็สอนถอนเอ๊ะพระตรงนี้มันมาอะไรมันก็ดีนะถ้าทางก็ดีแย้นทำไมมันไม่ได้เรื่องอะไรก็นำไปพฝ้าพ ร, าพระพทธเจ้าวิเจ้าก็รับสั่งว่าเธอให้กรรมาฐานไม่ถูกก็เอง เขาน่ยเก่งอ่ะจริงเขาเก่งแต่ว่าเธอให้กรรมฐานเนี่ยวิธีสอนของเธอไม่ถูกเองอ่ะเขานะองค์นี้นะเฉพาะรูปเนี่ยพอเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เนรมิดเป็นเป็นดอก บ, บัวของคํางามวิมจิตรแล้วก็ให้ท่านเราไปปักประบุกองสายแล้วท่านนั่งดูนั่งดูจริงมันนั่งดูแบบกระสินนะฮะนั่งเคว้งดูดอก บ, บวัวเคว่งดูไปเฉย แล้วก็ดอกบัวซึ่งมันสวยงา ม, ม, นมางเนี่ยมันมนช่างนะฮะช่างทองซึ่งเป็นช่างศิลป์อยู่แล้วเนี่ยพอมาเห็นบัวทองดูมันสวยงามมากเนี่ยท่านก็มองในแง่ของศิลป์ศิลป์จิตก็มีสมาธิเห็นะจิตก็มีสมาธิมองด้วยความเพลิดเพลินชื่นชมครึ่งอัศจรตันมัน ก, ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไรนะหร่นะฮะในตอนแรกๆเนี่ยมันจะมองในแง่ของศิละปะมากกว่า แต่อย่าลืมว่ามันสร้างสมาธินะนสร้างสมาธิแต่ในสุดดอกบัว น, น, นี้ก็ส่บันดาลเดียพุทธานุภาพไปเรื่องเกี่ยวเริ่อเกี่ยวไอ้แกก็เริ่มพิจารณ า, า, าเริ่มพิจารณาตามไปเดี๋ยวลมก็ร่วมนะกล่มันค่อยร่วงไปร่ว ม, ก, วมก็พิจารณาสังขารเห็นจริงาตามมันไปลักแนวนี้ถ้าตั้งหลายไม่เกาะนะแนวที่สอนน้องสาวนางรูปบรรณาน แต่นางรูปวันันท h เอารูปผู้หญิงเหมือนกันรูปผู้หญิงที่อ่อนเยาวกว่าท่านเนี่ยนะฮะท่านตอนนั้นก็มาอย่างนึกๆอย่างนีน้เอ๊ท่านอย่างอย่างเพลินเลินในความสวยเพราะเราเทียบอายุฮะเทียบอายุกับพระพุทธเจ้าดูแต่เราไม่รู้หรอกว่าท่านอายุเท่าไรแต่ว่าเรารู้ว่าท่านออนกป่าพราเจ้าสองปีนะครับพระเจ้าตรัสรสามสิบห้าสอนศาสนาอยุ่นานแล้วเจ็ดแปดปีนะฮะน้องสาวจึงบวช เพอย่างน้อยนาะงรูปปัณฑาตอนนั้นตรงสี่สิบแล้วอนะ่ะสี่สิบมันก็มันชักจะหงอบมมนะนะจริงๆแต่ท่านยังเพลินมากเลยละโกลผมบวารานแล้วยังสวยไม่รู้เรื่องอยู่เลยนะแต่ก็ยังสวยของท่านน่ยนะพระพุทธเจ้าต้องมีวิธีเยอะแก้ปัญหาของน้องสาวคนเนี้จน ก, กว่าจะดึงกันมันได้มันก็ให้ดูรูปสวยรูปสวยมันก็เพ่งมปดูที่รูปสวยนพะอเห็นปั๊บในตาท่านจับอยู่ที่รูปนั้นตลอด ก็สวยกว่าท่านน่ยนะฮะสวยกว่าท่านตอนสาวด้วยพอเริ่มดูเริ่มจับเริ่มเป็นสมาธิรูปนั้นเริ่มแก่เลยแต่แก่เร็วมากแก่เร็วกว่จากสิบห้าสิบหกบู๊ดมาถึงไปร้ยยี่สิบเลยแก่อย่างเร็วพาตาจับไปที่เนี่ยฮะรูปนั้นก็เริ่มเปลี่ยนอย่างเดียวฝืนสมาธิมันก็ริ่งเกิดปัญญาเมื่อเกิดพิจารณาตามไปแล้วเกิดความสังเวทจะจิตคลายความกำหนัดไปกัน มองเทียบตัวเองถ้าก็มองเทียบตัวเองมาตั้งแต่ต้นมองกับไปกับมานะเทียบตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่กำหนัดตัวเองมันน่าหายไปก็ไปเพลิดเพลินยึดดีอยู่ในรูปนั้นอนี้ก็ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือหมายความว่าไอ้ดอกบัวทีมันประณีตขนาดนี้นะ น, นี่สวยงามขนาดนี้แต่ยังเสื่อมอย่างแตกยังทำลายยังร่วงโรยไปได้นะาปัสสาวะไรกษัตริย์สังขารทั้งหลายซึ่งเคยยึดมันถึงมันี้สุดตั้งจะเจริญในศาสนาปรลบ้าฝนใน ช่วงนั้นเหมือนกันคือว่าดอกโวก็ยังปักอยู่ตรงนั้นเนีนะนั่นคือเรื่องที่พระท่านเอามาพูดว่ามันอัศจรรย์นะวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านท่านมีวิธีก็งท่านซึ่งแต่ละอย่างในชาดกที่ยกมาแต่ละเรื่องเนะี่ยท่านเจตว่ามีวิธีต่างกันเยอะแยะไปหมดแต่มันจะจบลงที่คนเหล่านั้นบรรลุมรรคผลมากบ้างน้อยบ้างนะฮะก็แล้วแต่ พระเจ้าก็เสด็จมาท่านาสนใจเรื่องอบายวิธีนะอุปายะแปลว่าฉลาดนะไม่ใช่เจ้าเล่ห์นะอุปายะในอุบายเนี่ยคือเต้พิจิจิงแปลว่าฉลาดฉลาดในวิธีการฉลาดในวิธีการในการทําอะไรที่เราเรียกว่าอายโกสนคือฉลาดในทางเสือ่ออุปายโกศนฉลาดในทางเจริญอายโกศนนะฮะ อาญโกศลในทางเจริญอปายาโกศลในทางเสือมอุป า, อายาโกศลเนี่ยฉลาดในวิธีการที่จะหลีกหนีทางเสือมมาเดินในทางเจริญโกศลก็แปลว่าฉลาดพวกนี้มันมั น, ม, นมันเป็นวิธีการพระเจ้าบอกว่าภิกษุตั้งหลายก็กับทูลเล่านะฮะเล่าถึงว่าพระเจ้ามีวิธีมีอุบายในการฝึกคนซึ่งคนสามคนนี้ฝึกด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนกัน แต่ว่าคนทั้งสอคนบรรลุมรรคผลด้วยกันจะเป็นพระหันด้วยกั น, น, กนมันเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์พระเจาเราสั่งว่าที่จริงเราเรามีอุบา ย, ยที่อย่างนี้มามนั่นในชาติก่อนๆเราก็มีจะไม่ใช่มีเฉพาะชาตินี้ซึ่งความห ม, มายว่าอยังไงมายความว่าไอ้ความถูกต้องดีงามเนี่ยบางระดับไม่จําเป็นจะต้องจะต้องเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ได้นะเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตทั้งหลายทั้งก็ สามารถที่จะแสดงที่แจงอธิบายผลได้เพราะในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตร์ตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีวยธีของท่านในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอิสุตังหลายก็สนใจก็ทูลถามแล้วก็เล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วเนี่ยท่านเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ในกาสิกามในกรุง บาลานซีพระเจ้าแผ่นดินนั้นเก็บภาษีราษฎรมากเพราเงินตามชนบทต่างๆเนี่ยมันจะไหลเข้ามารวมอยู่ในเมืองหลวงแตไม่รู้จะเดินกระบวนเหมือนเมืองไทยหรืเราอ่ะนะไอ้ ว, ว่าไอ้เงินทองเนี่ยมันถูกรีดถ่ายเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงทให้ราษฎรยากจนคนแค้นมากพระเจ้า มนุษตัวเนี้ยก็ขอลาพ่อเพื่อไปศึกษาเราเรียนแต่ว่าพ่อเองก็ถูกไถ่ภาษีเิ๊ดิปยังไงนะนะก็ไม่มีเงินนะไม่มีเงินมันก็ทำยังไงบ้านลูกเองก็อยากเรียนแต่ว่าพ่อก็ไม่มีเงินลูกก็บอกว่าอ้าผมไปไปไปหาข้างหน้าแล้วกัน ก็ไปถึงก็บอกอาจารย์ว่าผมจะมาเรียนนะแต่ยังไม่มีเงินค่าเรียนเแล้วก็มีข้อแม่อาจารย์ต้องสอนให้ผมก่อนสอนแล้วเนี่ยผมจะใช้วิชาวความรู้ที่เรียนจากอาจารย์ไปหาเงินเอามาใช้เป็นค่าเราเรียนมาจ่ายเป็นค่าเราเรียนเครดิตดีนะฮะกระดาว่าเครดิตดีเลยอาจารย์ก็ค่อนข้า ง, างจใจดีก็ปล่อยรู้สิที่เรียนโดยโดยไม่ต้อง ไม่ต้องจ่ายค่าเราเรียนอะไรในสุก็เป็นคนฉลาด น, นะครับก็เรียนอะไรได้ดเร็วแต่การตัดเปรตเราบอกอาจารย์วา่าต้องลาอาจารย์ก่อนไปหาเงินมาให้ค่าเราเรียนในตอนต้นเนี่ยเราก็ใช้วิชาความรู้วิชาแพทย์วิชาอะไรที่เราเรียนมาเนี่ยช่วยดูแลรักษาอาชาสก็เก็บวกรวบรวมเงินทองไว้นานนะฮะนานา น, นก็ได้ทองมาเจ็ดดิ่ม เดินทางไกลจากสํานักอาจารย์ไปมากไปรเรียนที่ตากศิลานี้ตอนกลับมาเนี่ยมันนั่งเรือเรื่องเกิดล่มเนเรือล่มในี่นทางไงทองมันร่วงหมดอ่ะมันมาตกอยู่ในทะเลท่านก็มาคิดว่าโอ้นี้ถ้าเราจะไปหาเงินอีกหาทองอีกเนี่ย้ใช้เวลายเยอะเพราะว่าเงินมันก็อยู่ที่เจ้าแผ่นดินน่ะหมด จากนั้นเลยก็ต้องมีวิธีแล้วนะมงงนีที่เอาเงินท่านก็แต่งยุดเป็นฤาษียุดเป็นหมาบุดเป็นพรามนะะแต่งยุดเป็นพรามนั่งมาเป็นตบะไม่พูดนั่งอยู่ในมหากานเด่ทีนี้เมื่อกี้วความเชื่อของคนในยุคนั้นนะฮะคือหมายความว่าถ้าฤาษี ไปเกิดทรมานตนขึ้นมาแล้วจะเกิดตบะเดชาขึ้นมาท้องฟ้าไอ้ดิ้งฟ้าอากาศจะวิปริตแปรปรวนได้รต่อใดเนี่ยนะวความต้องรีบแก้ไขไม่รู้สีก็ไปทำอย่าเงเง้นคนทั้งหลายมาเห็นฤาษียังหนุ่มรูปร่างสง่างามแต่ไม่ยอมพูดจานั่งเป็นตบะอยู่ดีแม่น้ำ คนก็มาสอบถามว่าทําไมถึงทาอย่างนั้นต้องการอะไรก็ขอให้บอกนะเขาจะช่วยเหลือแต่ท่านก็ไม่บอกอะก็มาก็มาเรื่อยมาจนถึงว่าคนนี่มาจนถึงวันที่เจ็เนี่ยระดับเสนาบดีมาดูแล้วมันเดือดร้อนแล้วมันข่าวมันก็คือโอมเข้าไปในบ้านเดิมๆบรูซีตัวนี้ไม่กินอะไรเพาะต้งต้องโควันแล้วนะถ้าเกิดตายขึ้นมาแล้วก็ยุ่งจะเกิดอัปมงคลเ น, นะ่ยนะฮะ เวลาระมงคลขึ้นมาด้วยตบากตองหุสีตอนนี้นสุดท่านก็ไม่ยากพูดกับใครประชาชเห็นว่ามาถึงคิวพระองค์แล้วนะต้องไปแล้วไปสอบถามดูถึงเป็นยงไงไปถึงท่านก็สอบถามว่ามีคนเป็นมากมาถามท่านถึงสิ่งที่ท่านต้องการในความทุกข์ของท่าน แล้ทำไมท่านไม่บอกความทุกข์ของท่านเกิดรายความทุกข์คือความตายใช่ไหมท่านกลัวตายด้วยความทุกข์คือความตายกำลังจะเกิดขึ้นแก่ท่านใช่ไหมตอนนี้พระโพธิสัตท่านก็บอกก็มาบวพิชคนเราเนี่ยนะไม่จะบอกใครถามอะไรอะไรจะบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เรา เราจะบอกใครเราต้องมั่นใจนะฮะว่าคนนั้นเน่ก็ช่วยเหลือบัรเทาทุกแก่เราได้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าคน น, นั้นจะช่วยได้แล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องบอกเขาอันนี้ก็เป็นวิธีนะฮะเป็นวิธีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะกะ็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะคิดคือคนบางคนเขาชอบบน่นชอบบน่นเวลาไปเจอ เจอเพื่อนเจอฝูงก็เล่าแต่เรื่องปวดหัวปวดท้องเจ็บไข้อะไรตนะ่างๆเล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังแต่บางทีก็เล่าไปก็อย่างนั้นนะ่ยนะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่บางทีก็มีคนช่วยในสายตาของโพธิสัตว์นั้นทั้งก็ถือว่าพูดแล้วมันต้องได้ประโยชน์อแต่พูดแล้วไม่ได้ประโยชน์ไปรู้จะพูดไปทําอะไร เพก็ น, นี้ก็เป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งว่าการจะบอกความทุกข์อะไรแก่ใครนั้นจะต้องบอกแก่คนซึ่งเรามั่นใจว่าจะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่เราได้เพราะงั้นท่านจึงไม่บอกแก่คนอื่นแล้วก็ตั้งกระตอกย้ำว่าคือถ้าเราไปบอกความทุกข์แก่คน คนอื่นโดยไม่ดูไมู่กาลาเทศะนะก็เราอาจจะได้มิตรผู้หวังดีแต่ไม่พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมทุกขมความขงแสดงความเห็นใจนะะแสดงความเห็นใจแต่ก็ไม่ถึงกับกระโจนเข้าไปช่วยเหลือบันเทาทุกข์ก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ โรงงานทาตุกตานะ่จริงคนไทยเราก็สลดใจกันทั่วประเทศเลนะก็คงไม่ทั่วประเทศนะบางคนก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็สลดใจแล้วก็ทาให้นึกว่าเมืองไทยเดี๋ยวไม่เคยมีตายแรงขนาดนี้ยังนึกไม่ออกว่าตายแรงมากๆขนาดนี้มันนึกเมื่อไหร่สงครามเนะสมัยสงครามสงครามคราวครกรุงแตกอนะันคนมากเลยเกินนะฮะ ก็สลดหดหูใจแต่ว่าเราก็ฟังข่าวไปแล้วก็บางคนก็อาจจะไปลงมือช่วยเหลือได้ตนึงดหนึ่งได้นะฮะบางคนก็ยังไม่พร้อมหรือว่าใจยังไม่ถึงกับเสียสละไปช่วยเหลือคกือกูดแก่เขาแต่ในขณะเดียวกันนะเราจะเห็นว่า เรื่องเรื่องเหล่านี้มันก็เหมือนกับเรื่อง อ, อะไรก็เรียกว่าแย่งศสพระกันนะะศพพระที่ก็แย่งเนะี่ยสมาก็แย่งศพพระดังๆไงนะฮะหลวงพ่อหลวงปู่ที่ดังๆคนจะแย่งโสธรรมมาแย่งทําไมอ่ะก็ไปจัดการนะลูกศิษย์ลูกหาก็มาทําบุญกันมากบางทีเมื่อเกิดอาการได้เรียกวัดครึ่งหนึ่งกับการครึ่งหนึ่ง เพราะงั้นพวกเราเนี่ยเราจะจะเพราะว่ามันมันจะมีตัวแทรกอะไรเข้ามาสร้างปัญหาคือเมื่อมีเห็นผลประโยชน์อะไรก็มีการแจ้งผลประโยชน์กันแล้วในคนที่ทำเพื่อผู้เป็นทุกข์จริงๆเนี่ยมันก็น้อยลงลยนะแต่ก้ท่านให้คติอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเสียงสัตว์เนี่ยมันรู้ได้ง่าย เสียงนกเสียงไก่เสียงโคเสียงมา้าเนี่ยมันรู้ได้ไง่ายแต่เสียงของคนเนี่ยมันเข้าใจยากมันรู้ได้ยากอย่างก็เป็นธรรมชาตินะฮะธรรมชาติว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่พูดได้อย่างนะฮะคิดอย่างพูดอย่างทําอย่าง เป็นสัตวลกประเภทเดียวที่ทำได้แต่สัตว์ดิฤชาเนี่ยเขาก็ตรงๆนะฮะทื่อๆตรงๆไปงั้นเองแม้จะมีลีลาเลเลี่ยมนิดหน่อยนะฮะอย่างพวกเสือจ้องจะจับสัตว์แต่ตะะไรๆก็มีลีลามีเลเลีๆๆ่ยมมีวิธีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงวิธีไม่ใช่เรื่องของการเสรแซ่พวกมายาพวกเจ้าเล่พวก โอ้วอดปวดแข็งดีพวกอะไรเป็นอาการอุปกิเลสเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจคนเรื่องอุปกิเลสมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากบอนคนที่มารับฟังความทุกข์ของเราอะนะบางทีก็ต้องการจะใช้ไปเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเพื่อจะแบงหาประโยชน์จากความทุกข์ก็เลยทีหนึ่งนะ เราก็คงทุกข์เหมือนเดิมแต่ว่าคนซึ่งเข้ามารับรู้เรื่องทุกข์ของเราเนี่ยอาจจะใช้เราไปเป็นเครื่องมือในการแสดงหาประโยชน์ได้แต่ในกรณีนี้เมือม่อเมือ่อเมื่อสังคมก็มีความเชื่อความเชื่อว่าตรุษีบำเพ็ญตบะจนทรมานตายไปนี่จะเกิดความทุกข์ยากเกิดร้อนเกิดไฟเกิดอันตรายขึ้นมานะแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ สวมรอยขึ้นมาไปขอเรียกไรเงินเรียกไรทองนะฮะเพื่อมาช่วยเตือนฤาษีฤาษีไม่รู้นะฮะมันก็ได้ก็ได้เราธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้นแล้วก็เหมือนกับดีการพระป่ากตินในตอนนี้เราจะเราจะพบว่ามีดีกาปลอมเยอะนะมีดีการปลอมเยอะมันก็อาศัยความเดือดร้อนความต้องการ ทำบุญของคนแล้วก็ต้องการสร้างสา ร, ส า, รฐฐานุสถานอะไรๆของวัดแน่ๆ ม, มันที่จริงมันเป็นจุดดีแต่อย่าลืมว่าจุดดีเนี่ยคนเขาใช้เป็นจุดอ่อนได้นะฮะจุดแข็งเนี่ใช้เป็นจุดอ่อนได้แล้วทศนาทางสังคมมั น, ม, น, ม, นมันธรรมชาติมันเป็นอย่างงั้นเพราะาคนพานเนี่ยเขาก็มองเห็นเหมือนกันมองเห็นจุดเหมือนกันที่จะใช้ประโยชน์จากเรื่องตัวนี้ ย้ายไปก็ยกตัว อ, อย่างของความกรตันยุกระตเวทีเนี่ยครเป็นจุดดีเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่เวลาเนี้ยความกตันยุกตเวทีกลับถูกใช้ไปเป็นเครื่องมืออ่านะเช่นว่าอะไรละ่ะพ่อแม่พ่อแม่ขายลูกนะฮะลูกก็ขายตัวเองเพื่อกระตันยุกระตเวที วันก่อนในมีคนนํามามาคนโอ้ยพยายามอธิบายเรืการตันอยู่ตัวอีทีกันเหนื่อยได้เก็ม่ยอมเข้าใจนะฮะเก็ยอมเข้าใจแกยอมทุกอย่างนะยอมทุกอย่างทํายังไงก็ตามนะขอให้ส่งเงินให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ผลานเรียบไลยเงินปรากฏไม่เหลือลูกก็ไปทุกตุรมาเนี่ยนะฮะแต่พ่อแม่ก็เอามาจ่ายแล้วไม่มีความรักอะไรอยู่เลยกับลูกเนี่ยแต่ลูกก็กระตันอยู่นั่นดูเลย ทำทุกอย่างที่สระทุกอย่างทุกวันนี้เป็นเมียยากูซาแล้วไปใหญ่แล้วเอามาอยู่แล้วกูไม่กลับแล้วไอ้นี่คือเราสอนกันผิดๆกัตันยูนยี่จริงยูนี่มันเป็นปัญญานะยูก็คือยานั่นเองยาธาตุปัญญานะ อย่าท่าในความรู้รู้สิ่งที่ควรทาที่ท่านทําแล้วและไม่ไม่ได้ทําหรือว่าที่ตนควรกระทาด้วยนะฮะกระตังเนี่ยอันตนกระทาแล้วเรื่องอั น, นอื่นกระทาแล้วมันก็แล้วแต่แล้วแต่ใครมันก็ต้องรู้อะไรอยู่อันนี้ก็คือก็คือว่าถูกใช้ธรรมะเนี่ยถูกใช้ไปในทางแสดงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง หมาความคนใช้ก็คงมีธรรมะนะฮะแต่ว่าคนที่แนะนําคนอื่นให้ใช้เนี่ยไม่มีธรรมะพ่อแม่ที่สอนลูกอย่างนี้ละให้ลูกทําอย่างเงี้ยถ้าแดงกับลูกพ่อแม่ไม่มีธรรมะแต่ว่าให้คนอื่นก็มีธรรมะปฏิบัติธรรมะหรือแม้แต่เรื่องเรื่องอะไรเที่ยก็ใช้ จับพ่อแม่ไปเป็นตัวประกันจับผ an, ัวเป็น ต, ตัวประกันจับเมียเป็นตัวกันจะบลูกเป็นตัวประกันที่จริงก็คือมันก็กอาศัยจุดดีของคนเหล่านั้นคือว่าหมายรวมวคนเหล่านั้นต้องรักกันจึงจับเป็นตัวประกันได้จ <humming> ้นต้องมีลูกกตัญญูจึงจับพ่อแม่ไปเป็นตัวประกันได้ถ้าเป็นลูกในระคุณแกก็สบายจับเป็นตัวประกันพ่อแม่ตายแกก็สบายเลยเห็นไหนั่นก็อาศัยจุดดีของคนเนี่ยนะ ดีงคนเป็นเครื่องมือของคนชั่วคนชั่วก็ใช้เป็นเครื่องมือก็ได้รือสามีพัญญาต้องรักกันจึงจับคนใดคนหนึ่งไปเป็นไปเป็นตัวประกรันอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องริ่นรนเพื่อถ่ายตัวมาแต่ถ้าเขาไม่รักกันนะก็ไม่รักกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ดีใจตายเลยอย่าให้ไปนานเลยเนี่ยตอนนี้ก็จับไปได้เลยเราสบายหละเห็นไหมฮะนั่นก็คือว่าอาศัยความดี องคนหรือความเดือดร้อนของคนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแสดงคาปรนะโยชน์ได้เพราะาโลกธาตุประภูติศาสตร์ไม่เบาะนะฮะโลกโลกธาตุนี่ไม่เบาเลยแต่มันแสดงเลยแสดงว่าธรรมะของโลกมันเป็นอยู่ยางไงเป็นอย่างนั้นตั้งแต่โบราณมาและในการการไปบอกความทุกข์แก่คนอื่นโดยไม่ดูเดียก่อนเนี่ยนะเราเองอาจจะตกเป็นเครื่องมือของเขา อาจจะตกเป็นเครื่องมือของเขาไปสแสวงหาประโยชน์อะเาเนี่ยมีเยอะเลย ม, มีเยอะอ่างคือคนนั้นคนนี้ไปเไรียกรายไปขออย่างนั้นอย่างนี้ก็เราไม่รู้เรื่องแต่เขาก็เปได้มาแล้วนะไปขอมาแล้ววันนี้คือธรรมะของโลกก็กลายเป็นธรรมะของโลกว่าโลกมันก็เป็นกันอย่างนีน้เป็นการมองโลกที่ ที่เก่งนะเข้าใจชัดเจนประการต่อไปท่านบอกว่าการจะบอกอะไรหรือจะปรึกษาอะไรกับใครเนี่ยมันะต้องมั่นใจในตัวคนนั้นจะต้องมั่นใจในตัวคนนั้นว่าพูดไปแล้วนะฮะปรึกษาไปแล้วจะไม่มีปัญหา จะมีปัญหาติดตามมาอย่างนี้คนบางคนเนี่ยไปปรึกษาอะไรกันในรถเนี่ยโดยลืมลว่าคนขับรถของเราเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อเราก็ได้ไปคุยวางแฝงคนขับรถมันจะยินหมดเลยถ้าคนขับรถเนี่ยเขาซื่อสัตย์เราจริงหรือเปล่าเราวางใจก็ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะเพื่พูดและจุดนั้นมันอาจจะมีปัญหาจุดตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ เรื่องความรบครอบเนี่ยท่านสอนให้ระมัดระวังเรื่องความรบควนเรื่องอะไรควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดพูดแล้วจะเป็นอันตรายหรือจะเป็นคุณประโยชน์มันก็ต้องดูให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือดูที่คนนะท่านเน้นที่ตัวคนคนที่บอกคนที่เราคุยด้วยคนที่เราพูดด้วยแล้วต่อไปท่านก็นบอกว่า คนเรานั้นจะต้องตรวจสอบพิริอตรุตประปในตัวอันนี้ชักจะกระทบพระราชาเลยนะพระราชารู้สึกจะแย่หน่อยวรีดภาษีราษฎรเยอะชักจะกระทบกระตื้นให้สติแล้วแต่คนเราเนี่ยต้องดูให้เห็นพิริโอตตปะปะในความลาอาย่าวความสะดุ้งกลัวรประปยจะทำอะไรเนี่ยจะทําทอะไรหรือจะคิดอะไร ออกไปเนี่ยมันต้องไม่สร้างความเดือดร้อนมายความว่าทโดยมีอิริโอตปะเป็นฐานในการทําในการควบคุมในจิตสํานึกของตัวเองนะฮะอิริโอตปะอย่างที่เคยเคยยกตัวอย่างมันมันมันมันเป็นมโนธรรมนะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกไม่ใช่เล่นนะโล ก, กบาลธรรมนะฮสองข้อแต่นั่นเองเป็นโลกบาลธรรมได้ยังไง ที่จริงคนเราถ้ามีสองตัวนี้แล้วก็จบเลยนะมีรีอตปะแล้วก็จบเพราะว่าอะไรก็ตามการละบาปการมันเป็นบุญการทําจิตได้ของแค่มันก็อาศัยหิริฮิรินี่มันปิดกั้นบาปเป็นกั้นบาปมันก็ทําบุญนะเพราะฉะนั้นหิริกสตินี่ที่จริงก็คือคือกันแต่สติเป็นตัวระลึกแล้วก็เกิดเป็นหิริขึ้นมาก็เป็นความละอาย เกิดไปคันติเกิดไปไรก็ว่าไปนะฮะ ก, ก็เรียกอาการก็ธรรมะเหล่านั้นเ็จริงอาการก็ธรรมะอย่างดีเบืกอว่าธรรมะมันมามาจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หล ง, ลงหรือมาจากปัญญาบริสุทธิ์กรุณานะครับก็มาจากเนี้มันก็แต่กี่การโยงมาโยงยังไงก็ตามแปดหมื่นสี่พันโยงไปมันก็กลับแล้วก็คืออาการของจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะมันก็เป็นอาการก็ธรรมะ เพราะฉะั้นเาจะเรีย่าัทธาเรียกความเพียรเรียวสติสมาธิปัญญาเรียกอเดียโอตปะเรียกว่าแตก็คืออาการของจิตที่ไม่โลบไม่กดไม่ลงในขณะนั้นหรือว่าลดโลบกดลงลงไปก็ขึ้นอยู่กับกําลังของของธรรมะนะฮะว่ามีมากหรือมีน้อยที่เรโอตปะจึงเป็นมโนธรรมแต่คนเราที่จริงมันก็ค่อนข้างยากนะนะค่อนข้างยากที่จะให้เกิดเพราะว่ามันเป็นนามธรรมเป็นจิตสันนิษ การเกิดขอ ง, ข อ, ง, ข อ, งของศาสนาหรือการที่คนบนรรลุคลในทางอะไรงตานะเราจะเห็นว่ามันจะไปสองทางแต่จริงแล้วมีลักษณะนุนไงคือทางหนึ่งไปจากกลัวนะทางหนึ่งไปจากรู้ทางหนึ่งไปจากรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรทางเสื่อมทางเจริญก็ไปเลยคือหมายความว่าปัญญาเป็นหลักไปตัวหนึ่งไงมีมีมิริโอตปะคุมไป กลัวนรกการกลัวการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรกลัวความทุกข์กลัวอะไรนะมันเกิดความกลัวเป็นตัวคุม่มฮปัญญาวิจารณาชินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวแล้วมันคุ้มกันไปเราต่างก็ไปกันทันได้อกันนะนะฮะป่กันทันได้เรียบร้อยมันจะค่อยๆเกิดโดยสันดานของคนในอย่างนด็กเกิดจิตสันดานของคนเนี่ย คือธรรมชาตินะฮะธรรมชาติเชนรักสวยรักงามเนี่ยส่วนหนึ่งของเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของเป็นเป็นเป็นพันุ์นะฮะเป็นกรรมพันธุ์ทูตนะเป็นเป็นเป็นเทือเขาเหลากอของของของสัตว์เหล่านั้นชนิดนั้นของคนของคนพวกนั้นหรือจะเรียวเป็นสันดานเป็นจิตสันดานลักษณะของเขาเป็นอย่างนั้นเองแล้วประการ แลนหนึ่งก็คือเรื่องสถานที่เกิดสกุลที่เราเกิดแล้วก็อายุที่มันเพิ่มขึ้นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาจิตใจแล้วก็มีความเข้มแข็งในทางจิตใจมันจะเกิดอิริหรือความละอายต่อปั๊บมันอาศัยตัวนอกเยอะนะอาศัยตัวนอกช่เ อ, อเรามันก็ลูกของะกุลเราก็มีการศึกษาเราเรียนมาขนาดนี้แล้วเราอายุป่านนี้แล้วนะเริ่มก็คิดนะ เ, เกิดความคิดขึ้นมาเห็นไหมว่าก็มีสติสัมปชัญญะช่วยอยู่ทีนี้บางทีนี่มันมันอาศัยตัวนอกเลยเจะน้กลัวถูกตําหนิติเตียนจากคนอื่นกลัวตัวเองจะตําหนิตัวเองได้นะหลังจากกระทาไปแล้วกลัวว่าคนอื่นได้ยินได้ฟังไปจะตําหนิกลัวการถูกจับกลุมคุ่มขังลงโทษหรือกลัวนรกนะฮะกลัวนรกเป็นเรื่องใหญ่ที่ปัญหาเวลาเนี่ยนะ เราก็คงพูดยากแนละ้วคงเรียว่าพูดไม่ได้เลยทั้งไปนะเวลา น, นี้ที่มีปัญหาก็คือคนความคิดที่เป็นวัตถุนิยมนี่จัดแล้วไม่กลัวนรกนะเพราะไม่กลัวนรกชีวิตมันก็มีนิดเดียวเห็นไะหอีกไม่กี่ปีแล้วจะตายนะมันก็หาความสุขเสเต็มที่เลยทีนี้ถ้ากลัวนรกเรามองเห็นชีวิตว่าไอ้บาปที่เราทาําขณะนี้เนี่ยขณะไม่กี่นาทีเยนะ แต่ว่ามันให้ผลยาวเลยเกินยาวเลยเกินคล้ายๆเรากินยาพิษเข้าไปที่จริงมัน อ, อึกเดียบแต่ว่ากว่าจะขจัดพิษออกมาได้นี่นานมากเลยผลบาป ท, ที่เราทํามันก็ติดตามออกไปเพราะงั้นถ้าเรากลัวนรกได้มันจะช่วยอะไรเยอะการควบคุมการอะไรแต่ไรคงไม่ต้องมากอะไรนะฮะแต่นี้ใจเราเรายัางไม่ได้เข้าไปลึกถึตงตรงนั้นคือไม่ถึงก็กลัวนรก มองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครก็ทําอะไรได้แล้วแต่ถ้ากลัวนรกนี่มันจะเป็นหลักเลยพวกคริสต์พวกอิสลามที่เร่งพัดศาสนาจริงเรื่องกลัวนรกกัน่ยกลัวรลพระเจ้าลงโทษอ่ะเจ้าลงโทษส่งนรกอย่าลืมนะฮะเจ้าลงโทษเนี่ยให้ตกนรกนะวันพิพากษาเนี่ยส่งลงนรกนะทั้งคริสต์อิสลามเองก็กลัวนรกฮินดูเองก็กลัวนรกนะทีกติี่เขาทำดีได้เนี่ยกลัวนรก ศาสนาทั้งหลายจะมีลัทธะอย่างนั้นว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ดูก็เอไม่ไม่ใช่กลัวประเจ้าจริงๆไม่ใช่ฮะกลัวคํำพิพากษาของพระเจ้ากลัวคํำพิพากษาของพระเจ้าในสายของความกลัวนะฮะมันมาจากกลัวคํำพิพากษาของพระเจ้าเว่าจะพิพากษาไปให้ตกนรกแล้วตกนรกคิดอิสลามในตกชั่วกับชั่วกันเลยนะฮะชั่วชชั่วตลอดไปเลยของฟูดยังยังยังไม่ได้สอนอย่างนั้นนะฮฟูดมันเป็นไปตามกรรมไปตามกรรม เพาถ้าเห็นหิริอุตปาในตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเลือกทำนะเลือกประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เกื้อกูลต่อตัวเองเกื้อกูลต่อคนอื่นแต่ถ้าไม่เห็นมันก็อาจจะกระทำในสิ่งที่เบียดเบียนตัวเองเบียคือว่าอาจจะเกื้อกูลตัวเองแต่เบียดเบียนคนอื่นแบบประราชานะฮะระราชา น, นี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นวิธีกระตุ้นเตือนที่นิ่มนวล เดีวก็อธิบายนี่อธิบายนิ่มหนวนไม่ไ ม, ไม่ไม่กระทบแต่ประชาท่านรู้สึกนะนรู้สึกแล้วเสร็จแล้วท่านก็นเล่าเล่าถึงความเป็นมาของท่านว่าท่านเป็นใครมาจากไหนยังไงเนี่ยแลการเล่ามันก็มีความผูกพันอยู่กับจํานวนเงินที่ท่านจะต้องใช้ทําทไมจึงไม่มีเมื่อก็เชื่อมโยงไปจากการประชาธิปไตภาษีมากไปทำให้ท่านไม่มีเงิน พ่อของท่านเนี่ยไม่มีเงินส่งเสียท่านลาบเตียนแต่ว่าครูบาอาจารย์ในท่านเมตตาท่าน ม, มีเงินแต่ท่านมีวิ ช, ชาท่านก็ให้วิ ช, ชาอะสอนก่อนแล้วก็ฝ่อนจ่ายทีหลังก็ทําให้พระราชาเห็นว่าความเดือดร้อนมันเชื่อมโยงมาหาท่า น, นเชื่อมโยงเพระท่านไปรีดนาทาเล่นเขเกินไปเขาก็เดือดร้อนเป็นแถวเลย แล้วก็เล่าถึงว่าเรือเรือที่ท่านโดยสารเนี่ยมันเกิดแตกแล้วก็ทองก็หล่นไปหมดเลยเจ็ใช้เวลาหาอยู่นานทำไมถึงใช้เวลาหาอยู่นานคนมันยากจนทำไมยากจนนะเพระเระสีภาษีมากไม่ว่ากลับไปกระทบพระราชาทุกทีเลยแต่ท่านตั้งหลักไว้ทีดีอุตปา ก, ก่นตั้งหลักไว้ก่อนทั้งหมดมันจะย้อนกลับมาหาปรราชาทั้งหมด อย่างเวลานี้เราจะเห็นว่าอะไรแต่ละก็โยนมาลอมา้อมมารวมมาตุ้มรัฐบาลน่าเอ็นดูมาตอนนี้ตาลายอะไรพวกทั้งเข้าทั้งอะไรยุ่งไปหมดเลยเรียกว่าความมัวก็ไม่หายายังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกปัญหาที่จริงมันมันธรรมชาติข็มานนะนะธรรมชาติก็มาน น, รรมามาน้อยความเรายกมาเป็นเรื่องอะไรก็ได้พูดแล้วก็ถูกทางนั้น ไม่มีใครผิดนะะแต่ถือว่าปูใ้ไกลก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกมันก็ได้นะว่ามันเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานเนี่ยคนอื่นเพื่อนบ้านก็ททำนาได้มากเส่งข้าวไปในตลาดโลกข้าวเนี่ก็กินเนี่ยนะมันก็มีข้าวกินแล้วก็ก็ไม่ซื้อทีนี้เมื่อจำนวนมันมากราคามันต้องลดอะความต้องการมันยังมันมันมันน้อย ก็ทำให้ราคาถึงขั้รลดมันก็ทำบรรดานะฮะมันทำบรรดาของอะไรก็ได้เพราะฉนั้นปัญหาเหล่านี้ที่จริงเราจะมองจะจุดใดก็ได้ะแล้วเอาไปจุดโจมตีเพื่อนที่จริงก็ได้แต่ถ้ามองมองมอ ง, มองให้รอบตัวรอบด้านแล้วนะฮะปฏิ ป, ปนอมที่จรงิงสิ่งทั้งหลายมันมาจะเหตุผลใจเราไม่สามารถบงการอะไรให้เป็นไปตามที่เราเราอยากให้เป็นไปได้นะฮะบางอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างฝนแรงอย่างเงี้ยะ เรียกร้องหาน้ําจากเทวดาไหนะคนแล้วมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมันน่ะจะโทษรัฐบาลก็โทษรัฐบาลก็ฟังได้นะฮะแต่ถ้ามองในแง่เหตุปัจจัยล่ะเทวดาเป็นอะไรเป็นพระวัยรุณเลยจะสั่งฝนสั่งฟ้าได้หรือไงมันก็เปล่านไฮะแต่ทีนี้มันมันมันมัปัญหาเราเหล่านี้มันก็มันก็อยู่ที่ว่าเราพร้อมเผชิญหน้าความจริงกันหรือไม่แต่นั้นเองถ้าถ้าเผชิญหน้าความจริงความจริงก็คือความจริง ท่านจะไม่มองท่านท่านจะไม่มอง ม, มุมใดมุมหนึ่งแต่จะมองในแง่ของเหตุปัจจัยราสิ่งทั้งหลายนั้นมันเกิดมาจากเขตุแล้วก็มีปัจจัยประกอบโดยการธรรมชาติบ้างโดยคนบ้างโดยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางอื่นเยอะไปหมดเลยรุงรังไปหมดแล้วตรงตรงเนี้คนมันจะไม่หนักหรอกแต่คนจะร่วมมือกันแก้ไขคือไม่ได้โยนให้คนใดคนหนึ่งไปแบกคนเดียวไม่ ม, ม, มีทางหรอกมนุษย์ไม่จะเทวดาเทวดาเองมาทําอะไรไม่เคยได้หรอก เทวดายัางทวดอาศัยทําต้นไม้ต้นไทรสารพระภูมิอยู่เนี่นเยเทวดาเองก็ไม่ได้มีเดจานุภาอะไรนักหนาแต่ว่าสำคัญเนี่ยต้องมองในแง่ของของความเป็นเหตุเป็นัจก็เรียกว่าเป็นปัจจัยของการละกันตอนนี้พระราชาท่านมองได้นะมองกลับไปกลับมาได้แล้วก็สรุปว่าท่านเนี่ยเป็นตัวปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาอย่างเงี้ยเพราะท่านไปนรีดภาษีเก็บเข้ามา แล้วคนเหล่านี้อยู่ยในกระบวนการรัสดรของท่านนะ่ะมันเป็นเรื่องความคิดที่รับผิดชอบเป็นเรื่องของความคิดที่มีความรับผิดชอบมัเกิดทีโร่อรุตปายขึ้นเลยสุดตั้งก็เล่านะฮะว่าท่านต้องการได้ทองนี่สิบสี่ลิบนะฮะสิี่ลิเพื่อไปเป็นค่าให้ครูบาอาจารย์ เันก็เห็นว่าถ้าไปหาที่อื่นหรือบอกคนอื่นมันไม่ทางได้อนะนอกจากว่าบอกพระองค์อะพระพุทองมันอยู่ที่ประราชาแต่เต้ยไม่พูดอ่วนะฮะเต้ยไม่พูดหร อ, อกเพราะเรากระตุ้นในหีดิแล้วกระตุ้นดนหีดิคือถ้าไปด่าเขาเนี่ยขอสตางเขาเนี่ยไม่ได้นะฮแต่ว่าก็ต้องกระตุ้นอะไรให้เขาให้เขาเกิดความคิดกระตุ้นหนึ่งก็เกิดเมตตาก็ได้เกิดความรับผิดชอบก็ได้เกิดอะไรก็ได้เกิดปัญญ ว่าต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องกระตุ้นให้เขาเกิดเกิดศรัทธาก็ได้นะแต่ว่าในกรณีนี้เราจะเห็นว่ากระตุ้นให้เกิดอิทธิพลต่ามีความจำเนื้รับผิดชอบในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ราษฎรเนี่ยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะท่านเก็บภาษีมากไปก็ไม่จทั้งหมดนะฮะบางทีเราก็ก็ไม่มองดูนะจาปัญหาความยากจนใน ในบ้านในเมืองเราเนี่ยที่จริงมันมันมันมันก็มีทั้งยากจนทั้งยากจนเนี่ยนะฮไอ้พวกยากจนเนี่ยมันก็มีเป็นเป็นเยอะเป็นลักษณะตุ่มทะลุมันหาได้มันแล้วมันเอาไปดื่มเหล้ามันเอาไปเชี่ยวตื่นเช้าขึ้นมาซื้อบุหรี่ซองนึงกรทิ้งแดงขวดหนึ่งอ่าล้วกินกาแฟแถมปลาทองโขดด้วยมันต้องเยอะแล้วตอนเช้าอ่ะนี่เดี๋ยวกินเยอะแล้ว เราทำงานเสร็จตอนเย็นได้เงินมาเท่าไรมันกซื้อล้าข ว, วดเนี่ยรายรายได้ต่อวันมาร้อกว่าบาทมันซื้อเหล้าจะขวดทั้งหมดไปเท่าไราล่ะอันเนี้ยคือปัญหานี้เราต้องพูดกันกนะการในโครงการแปลนินทําเป็นินทองอะไรแต่ไดเนี่ยมันก็เดินไม่ได้เพราะมันไม่มีทำเลยทองมันไม่เกิดอ่ทองประเกิดมันร่วงหมดเลยเพราะคนไม่มีทำ ดังนั้นพระราชาเนี่ยท่านเข้าใจในแง่ของเหตุผลคือหมายความว่าอิทธิ์เกิดขึ้นนะฮะตักรธรรมะมันเกิดขึ้นวันทองมันก็ตามมาพระราชาก็พระราชทานให้เองทีนี้ถามว่าทํำไมจริงให้มันก็มันก็พอสรุปชาติเราจะเห็นอีกนะฮะว่าที่จริงเป็นพวกที่เขาเรียกว่าทําบุญร่วม ก, กันมานะฮะพระราชาก็คือพระอานนท์ในชาติปัจจุบันอาจารย์ก็คือพระสารีบุตรในปัจจุบัน พระมานพเนี่ยฮะก็คือพระพระุทธเจา้าเนี่ยปฏิบันเห็นไหมว่าผู้ปุ๊บนี้ไอความปลูกพันเนี่ยมาอยา่างนึกว่าถ้าอาจารย์แกสอนฟรีนะฮะคือว่าสอนก่อนแล้วก็จากทีหลังเนี่ยแกก็คงตั้งสํานักไม่ได้แต่สามอางคนนี้เนี่ยไอความลูกพันพอเห็นปั๊บเนี่ยมันเกิดเกิดศรัทธาเกิดความรักเกิดความเชื่อมั่นอะไรอะไรนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งของ บุญที่ทําไว้ในการก่อนจะเรียกปุเพสันิวาสคืออยู่ร่วมกันมาในชาติปังก่อนเคยเกื้อกูลกันมาชาติดกเราต้องถามเรื่องนี้มาเจอว่าสมท่านนี้มาเกาะกันอยู่เนี่ยสมรูปเนี่ยพระพุทธเ จ, จา้าพ ร, ระอานนท์พระสารีบุตรมาเกาะกันอยู่สามชาดกแล้วยุนลนาศ ว, นวันก่อนก็สามท่านนี้เหมือนกันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องทูตชาดกทูตชาดกคือเรื่องของการพูด ควรพูดหรือไม่ควรพูดเป็นเป็นอุบายวิธีในการทำงานในท่ม็ลประโยชน์ลหลายการณีด้วยกันนะวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความจเจริญงอกงามไปบุดในธรรมจะมีแต่ท่านฟังทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านคือ